174ความรู้ในเรื่องพลังงานทางจิตของพุทธนั้นหรือกล้าพุทธจึงมีสติทำการปฏิบัติเกิดสัมปชัญญะความเอาใจใส่ความพินิจพิเคราะห์ต่อไปและพัฒนาขึ้นเป็นสัมปะชาโนรู้ทั่วพร้อมอยู่ในปัจจุบันนั้นแล้วจึงจะเจริญไปสู่สัมมัสณนะ การพิจารณาที่เกิดยานเป็นสัมมาสนาญาณความรู้ในการพิจารณาปัญญาจะหลอมรวมกันเข้าเป็นพลังแห่งความร้อนแรงยิ่งยิ่งขึ้นเป็นสัมปฏิตะก่อไฟจึงจะแปลตัวกลายเป็นสัมปัจติไฟซึ่งเรียกว่าฌานไฟอันเกิดจากพลังปัญญาปัญญาอันมีพลังเป็นไฟ ก็เป็นสมปัดชริตะลุกโลงโหม่ไม้ทำลายไฟราคาไฟโทสะไฟโมหะลงได้ซึ่งราคาโทสะโมหะก็นับว่าเป็นพลังงานที่เรียกว่าไฟราคาไฟโทสะไฟโมหะเช่นกันแต่พลังงานไฟที่ชื่อว่าฌานนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งกว่า เพราะเป็นพลังงานที่ได้สร้างขึ้นด้วยพุท ธ, ธิปัญญาอันมีคุณสมบัติถึงขั้นสัมปัตชริตะจึงโหไมไหมไฟกิเลสได้สำเร็จเป็นจริงด้วยองค์ประกอบของภาวะสัจจะที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริจ ง, รงความจริงครบครันทั้งรูปทั้งนามทั้งสมมุติสัจจะทั้งปรมาทาัสสัจจะ ทวนรอบทางภายนอกทางภายในบริบูรณ์พุทธิปัญญาจึงมีสัมมับปัญญาผู้มีปัญญาโดยชอบบร Bo ิบูรณ์สมบูรณ์ด้วยประการชนียเพราะต่างจากความรู้ที่ไม่มีโพชชงเจ็ดหรือไม่มีโพธิปักขียธาธรรม37ก็ไม่มีสติสัมโพธชง ไม่มีธรรมวิจัยสัมโพธชงไม่มีสติปัฐานสีไม่มีสัมมปทานสีเป็นต้นไม่มีภายนอกด้วยภายในด้วยไม่มีมัชอันมีองแปดเป็นหลักสำคัญก็ไม่ครบพร้อมด้วยเหตุปัจจัยด้วยองค์ประกอบบริบูรณ์